อุปมาผู้จุดประทีปขอถวายพระพรเปรียบเหมือนบูรุษผู้หนึ่งจุดประทีปเข้าไปในเรือนที่มืดในขณะนั้นความมืดก็ดับไปแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นฉันใดเมื่อยานเกิดขึ้นแล้วโมหะก็ดับไปในที่นั้นฉันนั้นแหละข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าก็ปัญญานั้นเร่าไปอยู่ที่ไหน มหาราชะปัญญาทำหน้าที่ของตนแล้วก็ดับไปในที่นั้นเองสิ่งใดที่ทำด้วยปัญญานั้นว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาสิ่งนั้นไม่ดับข้าแต่พระนาคเษนพระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้แล้วว่าปัญญาที่ทำหน้าที่ของตนแล้วก็ดับไป แต่สิ่งใดที่ทำด้วยปัญญานั้นว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาสิ่งนั้นไม่ดับดังนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอุปมาด้วยอุปมาด้วยเขียนแรขมหาราชเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้ใดผู้หนึ่งอยากดูตัวเรขในกลางคืนจัดแจงให้จุดประทีปขึ้นเขียนเรขเมื่อเขียนเรขแล้ว ก็ให้ดับประทีปเมื่อดับประทีปแล้วเรืก็ยังไม่หายไปข้อนี้มีอุปมาฉันใดปัญญาทำหน้าที่ของตนแล้วดับไปแต่สิ่งที่รู้ด้วยปัญญาว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตานั้นมิได้ดับไปฉันนั้นขอพระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้ยิ่งขึ้น อุปมาโอ่งน้ำขอถวายพระพรเปรียบประดุดพวกมนุษย์ในชนบทตะวันออกจัดตั้งโอค์น้ำไว้ห้าโอข้างประตูเพื่อดับไฟที่จะไหมเรือนเมื่อไฟไหมเรือนแล้วโองน้ำห้าโอค์นั้นเขาก็นำไปเก็บไว้ในระแวกบ้านไฟก็ดับไปชาวบ้านคิดหรือไม่ว่า เราจากต้องทำสิ่งที่จำเป็นด้วยออ่งน้ำเหล่านั้นอีกไม่คิดผู้เป็นเจ้าเพราะไม่มีความจําเป็นกับโอ่์น้ำเหล่านั้นอีกแล้วด้วยว่าไฟก็ดับแล้วเขาจึงนำไปเก็บไว้อย่างนั้นมหาราชะควรเห็นอินสี่ห้ามีศรัทธาเป็นต้นว่าเปรียบเหมือนกับโอ่์น้ำทั้งห้า พระโยคาวจรเปรียบเหมือนชาวบ้านกิเลสเปรียบเหมือนไฟกิเลสดับไปด้วยอินสีห้าเปรียบเหมือนกับไฟดับด้วยน้ำทั้งห้าองค์นั้นกิเลสที่ดับไปแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นอีกฉันใดเมื่อปัญญาทาหน้าที่ของตนแล้วก็ดับไปแต่สิ่งที่รู้ว่าเป็นอนิจจงทุกขัง อนัตตานั้นไม่ได้ดับไปฉันนั้นขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกอุปมารากยามหาราชาเกลีบปานปหนึ่งว่าแพทย์ผู้ถือเอารากยาห้ารากไปหาคนไข้บดรากยาทั้งห้านั้นแล้วละลายน้ำให้คนไข้ดื่มโรคนั้นก็หายไปโรคนั้นก็หายไป ด้วยรากยาทั้งห้ารากนั้นแพทย์นั้นคิดหรือไม่ว่าเราจะต้องทำกิจที่ควรทำด้วยรากยาเหล่านั้นอีกไม่คิดพระผู้เป็นเจ้ามหาราชารากยาทั้งห้ารากนั้นเหมือนอินสี่ห้ามีศรัทธาเป็นต้นแพทย์นั้นเหมือนพระโยคาวจรความเจ็บไข้เหมือนกิเลส บุรุษผู้เจ็บไข้เหมือนปุตุชนไข้าหายไปด้วยยาทั้งห้ารากนั้นแล้วผู้เจ็บไข้นั้นก็หายโรคชั้นใดเมื่อกิเลสออกไปด้วยอินทรีห้าแล้วกิเลสก็ไม่เกิดอีกอย่างนั้นแหละมหาบาพิษชื่อว่าปัญญาทำหน้าที่ของตนแล้วดับไปแต่สิ่งที่รู้ด้วยปัญญาว่าเป็น อนิจังทุกขังอนัตตานั้นหาไม่ได้ดับไปฉันนั้นนิมนอุปมาให้ยิ่งขึ้นกว่านี้อีกอุปมาผู้ถือลูกธนูมหาราชะเหมือนกับบุรุษผู้จะเข้าสู่สงครามถือเอาลูกธนูห้าลูกแล้วเข้าสู่สงครามเพื่อต่อสู้กับฆาตศึก เขาเข้าสู่สงครามแล้วก็ยิงลูกธนูไปข้าศึกก็แตกพ่ายไปบุรุษนั้นคิดหรือไม่ว่าเราจะต้องทํากิจด้วยลูกธนูเหล่านั้นอีกไม่คิดพระผู้เป็นเจ้ามหาราชาควรเห็นอินรียห้าเหมือนลูกธนูทั้งห้าพระโยคาวะจรเหมือนผู้เข้าสู่สงครามกิเลส เหมือนกับค่าศึกกิเลสแตกหักไปเหมือนกับค่าศึกพ่ายแพ้กิเลสดับไปแล้วไม่เกิดขึ้นอีกอย่างนี้แหละมหาบาพิษชื่อว่าปัญญาทาหน้าที่ของตนแล้วดับไปแต่สิ่งที่รู้ด้วยปัญญาว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตานั้นหาไม่ได้ดับไปขอถวายพระพร แกดีแล้วพระนาคาเกษ